ผมแผ่นดินไปแล้ววิญญาณ็ถื่อนได้ลอวลอไปสู่กำเนิดในทบที่ไม่อาจจะทราบได้แต่ในความรู้สึกลีลาวดียังอยู่ในโลกนี้และแนบสนิทอยู่กับดวงใจตลอดมารักของเราทั้งสองเป็นรักมาตต์วันคืนผ่านไปไม่อาจลดพลังรักให้น้อยลงได้ การอยู่คนละโลกไม่อาจจะตัดโซ่ทองของเราทั้งสองให้ขาดลงเวลาตื่นคิดถึงเธอเวลาหลับฝันถึงเธอบางวันรู้สึกเหงาและเศร้าใจอย่างลึกซึ้งสิ่งเดียวที่คอยให้ความอบอุ่นได้ก็คือ สถูปที่บรรจุอธิของลีลาวดี ปาก่้ำเย็นสบายดีเป็นที่พักผ่อนได้อย่างดีเลยเอ๊ะหญิงสาวคนนั้นกำลังทำอะไรเป็นป่ายขึ้นเขามาแต่ไกลทางตรงนั้นค่อนข้างชันซะด้วยแต่ก็ตกลงไปหรอกถ้าทางไม่กลัวอันตรายซะด้วยดูเหมือนจะมาคนเดียวไม่มีใครติดตามมาด้วยนางเป็นใครนะ และนี่จะไปไหนคนเดียวล่ะนางปีนไป่ายไม่ได้หยุดพักเลยทั้งทั้งที่ดูนางเหน็บเหนื่อยไม่ใช่น้อยขึ้นมาถึงลานหินใต้ร่มทองกวางสุดตัวลงนั่งอย่างอ่อนระหยหลังทิ้งต้นไม้ใหญ่เหยียดขาไปข้างหน้าตามสบายใบหน้าแม้นางจะหม่นหมองดำคล้ำและเปียกชุ่มด้วยเหงื่อแต่ก็ยังมีความงามฉายออกมาให้เห็น นางเป็นหญิงสาที่สวยมากคนหนึ่งเท่าที่เห็นลักษณะท่าทางผิวพรรณและเครื่องแต่งกายสอให้เห็นว่านางไม่ใช่คนชั้นต่ำอ่านางร้องไห้ร้องทำไมคือว่านางมีความทุกข์ระทมอะไรสักอย่างน่าสงสารต้องทำให้นางรู้ตัวว่าในบริเวณนี้ไม่ได้มีแต่นางคนเดียว จะมีคนอื่นเ้ามองดูอยู่ยดูก่อนคุณลธิดาเธอจะไปทำธุระสำคัญอะไรที่ไหนจึงอุตส่าห์ปีนขึ้นเขามาคนเดียวเช่นนี้คุณลธิดาเอ๋ย อย่าเอาแต่ร้องไห้ไปเลยเธอคงอยู่ในห่วงทุกข์อะไรสักอย่างและที่มานี้บางทีอาจจะไปฆ่าตัวตายก็ได้ถูกแล้วดิวฉันกำลังจ ะ, ะกระโดดเหวตายกระโดดเหวเธอจะไปกระโดดเหวตายเธอไม่สามารถ ทนต่อความทุกข์ทรมาณแห่งชีวิตนี้ได้ทุกของเธอคงใหญ่หลวงมากสินะถูกแล้วทุกของดิฉันใหญ่หลวงมากลองเล่าให้อัตมาฟังสิว่าเรื่องราวเป็นยังไงอัตมาสงสารและเห็นใจเธอมากที่ฉันผิดหวังในความรักอัตมานึกอยู่ก่อนแล้วเล่าไปเถอะพ่อแม่บังคับให้ิฉันแต่งงาน กับพรามแก่ร่ํำรวยคนหนึ่งแตดิฉันไม่ยอมแต่งด้วยเลยหนีไปหาชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งรักดิฉันมากแต่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นเหรดิฉันก็ต้องพบกับความผิดหวังชายคนนั้นก็ขับไล่สายส่งเธอละสิเปล่ลาลูกค่ะก็ไม่ได้ขับไล่สายส่งแล้วเธอผิดหวังเรื่องอะไร ชายคนนั้นแต่งงานกับหญิงอื่นเสแล้วก่อนที่ดิชันจะไปถึงเข้าเพียงวันเดียวเมื่อเพลียหวังธก็เลยกลับบ้านดิฉันไม่ได้กลับบ้านดิฉันสักเสพะนายจอนไปเรื่อยๆอย่างคนปราศจากสติเป็นเวลาถึงสามวันเมื่อไม่สามารถทนต่อความทุกข์โรมันได้จึงตัดสินใจกระโดดเหวตายเพื่อให้รู้แลรอดไป เรื่งของนิเพื่อก็มีอยู่เพียงแค่นี้เรื่องของเธอเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากใไฮก็ตามทัดตกอยู่ในภาวะอย่างเธอก็คงจะตัดสินใจอย่างนี้ทุกกายเป็นสิ่งที่พอทนได้แต่ทุกใจนี่ทนได้ยากมากวิธีแก้ทุกใจมีอยู่เพียงสองอย่างเท่านั้นสองอย่างมีอะไรบ้างคะตายซะให้ดูแล้วรอดไป และอดทนจนกว่าทุกนั้นจะดับลงคนเป็นอันมากเลือกเอาวิธีฆ่าตัวตายแต่ที่เลือกเอาวิธีอดทนก็ไม่น้อยเธอละ่ะจะเลือกเอาวิธีไหนเลือกเอาวิธีตายเธอเลือกเอาวิธีตายถูกแล้วตาชี่ได้จะได้พ้นทุกไปเธอเชื่อเหรอ ว่าเมื่อเธอตายไปแล้วเธอจะพนทุกข์ดิฉันเชื่อเช่นนั้นเธอเข้าใจผิดเธอกําลังทําลายตัวเองด้วยความเข้าใจผิดดิฉันเข้าใจผิดยังไงคะทุกข์ของเธอไม่ได้อยู่ที่แข้งขามือเท้าหัวใจปอดกระโหลกศีรษะหรือส่วนใดๆของร่างกายแต่อยู่ที่จิตใจร่างกายเป็นแต่เพียงวัตถุห ย, ยาบๆไม่รู้เรื่องราวอะไรทั้งสิ้นใจตัางหาดละ่ะ เป็นผู้แบกทุกข์เมื่อร่างกายตายลงจิตใจยังมีการสืบต่อไปเกิดอีกอาจนำเอาความสุขความทุกข์ความเศร้าหมองหรือความบริสุทธิ์สะอาดไปด้วยได้ฉะนั้นความตายจึงไม่ใช่ที่สุดของสุขหรือทุกข์การฆ่าตัวตายเป็นการทําลายร่างกายซึ่งไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยตายไปอย่างเปล่าประโยชน์ การฆ่าตัวตายเพื่อให้พ้นทุกข์เป็นการแก้ทุกข์ผิดที่แก้ทุกข์ผิดที่เลยค่ะถูกแล้วเหมือนชายคนหนึ่งถูกเขาด่าว่าเกิดความเจ็บใจเป็นทุกข์เลยเอาไฟเผาบ้านของตัวเองจนบ้านถูกไฟเผาราบเรียบไปเมื่อบ้านเรือนซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วเขาพ้นทุกข์หรือเปล่าเลย ก็จะเป็นทุกข์หนักขึ้นอีกนั่นเพราะทุกข์ไม่ได้อยู่ที่บ้านเรือนแต่อยู่ที่จิตใจของเขาเองต่างหากเมื่อใจเป็นทุกข์ก็ต้องแก้ที่ใจอย่าไปทําลายร่างกายซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยดูก่อนกุลธิดาเมื่อความตายไม่อาจทําให้เธอพ้นทุกข์ได้เชนนี้แล้วการฆ่าตัวตายก็ไม่มีประโยชน์น่าเสียดายที่เธอจะมาด่วนทําลายชีวิต อดทนต่อไปอีกไม่ได้เหรอเห็นจะไม่ได้แน่เธอประสบทุกนี้เป็นเวลานานเท่าไร่แล้วสามวันแล้วเธอบอกว่าอดทนไม่ได้แต่เธอก็ออดทนมาได้ถึงสามวันถ้าเธออดใจทนต่อไปอีกสี่วันทุกของเธอก็จะค่อยๆลดลงลดลง ด่านที่สุดก็จะหายไปเองท่านพูดเอาเองเช่นนั้นใครๆก็พูดได้ดิฉันทนมาสามวันก็แทบไม่ไหวยอยู่แล้วความทุกข์ของดิฉันไม่มีที่ท่าว่าจะลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดิฉันเชื่อว่ามันจะไม่มีวันลดลงเป็นอันขาดคุณละทธิดาเลยเด็กผู้อ่อนความรู้ เพิ่งเกิดมาสู่โลกเพียงระยะเวลาสั้นเมื่อเห็นพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเหนือพื้นโลกแล้วค่อยๆเลื่อนขึ้นไปในท้องฟ้าพร้อมกับเปล่งรัศมีร้อนแรงขึ้นทุกขณะก็กลัวและตกใจเข้าใจว่าพระอาทิตย์จะสูงขึ้นไปไม่หยุดยัง้งไม่มีเวลาจะคล้อยตามลงรัศมีร้อนแรงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทุกสิ่งในโลกจะถูกเผาเป็นจุนไป เมื่อเด็กนั้นเกิดความหวาดกลัวต่อพระอาทิตย์และก็หาทางออกโดยการชิงฆ่าตัวตายซะกอ่อนก็เป็นที่น่าเสียดายและสงสารสังเวชเพราะถ้าเขาทนดูต่อไปอีกสักหน่อยเขาก็จะพบว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นถึงจุดสูงสุดกลางฟ้าแล้วก็จะค่อยๆลดต่ำลงและสมีจะค่อยๆอ่อนลงจนในที่สุดก็หายไปในขอบฟ้า ข้อที่เขาคาดหมายว่าจะถูกรัศมีพระอาทิตย์แผดเผาตายก็ไม่เกิดขึ้นเขาสร้างทุกข์ขึ้นหลอกตัวเองแท้ๆกุลธิดาเอ้ยพระอาทิตย์เช่นใดทุกข์ของเธอก็เช่นนั้ น, เ ธ, เ, น, นเธออดทนมาสามวันแล้วแต่ยังไม่เห็นว่าทุกข์จะลดลงนั้นก็เพราะมันยังไม่ขึ้นถึงจุดสูงสุดของมันดุจพระอาทิตย์ยังไม่ถึงเที่ยงวันดุจพระจันทร์ที่ยังไม่เต็มดวง แต่ในไม่ช้ามันก็จะถึงจุดสูงสุดแล้วก็เริ่มลดลงดุดกระแสน้ำคงคาปลายฤดูฝนท่านเข้าใจเปรียบเทียบความจริงเป็นเช่นนั้นและจงทราบความจริงอีกเถิดว่าทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือนามธรรมาเมื่อเกิดขึ้นแล้วและเจริญถึงขีดสูงสุดย่อมเสื่อมลงและดับหายไปในที่สุดนี่คือหลักความจริงในธรรมชาติ ไม่มีอะไรจะฝ่าฝืนได้เราทั้งสองที่กำลังสนทนากันอยู่นี้อีกไม่ถึงร้อยปีก็จะกลายเป็นเท่าฐานถมแผ่นดินนครราชฤาษิอันรุ่งเรืองนี้สักวันหนึ่งข้างหน้าก็จะกลายเป็นป่าละมะที่อยู่ของกระต่ายป่าเพราะการเกิดการดับเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดก็ย่อมมีดับสิ่งใดมีเกิดสิ่งนั้นก็จะต้องมีดับเสมอกันหมด ต่างกันแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นบางสิ่งเกิดแล้วดับเร็วบางสิ่งเกิดแล้วดับช้าแต่จะช้านานเพียงใดก็ต้องดับไปในที่สุดอาตมาเองก็เคยประสบทุกขแบบเดียวกับเธอมาแล้วท่านเคยประสบทุกแบบนี้มาแล้ว หรคะที่ท่านว่าเคยประสบทุกข์อย่างดิฉั้นมาแล้วเป็นความจริงเมื่ออยู่กรุงสาวัตถีอาตมาเกิดความรักและตั้งความหวังในกุลสตรีคนหนึ่งต่อมาได้มีชายอื่นมาแย่งเธอไปจากอาตมาทุกอันใหญ่หลวงได้เกิดขึ้นท่วมทับหัวใจจนเกือบทนไม่ไหวแล้วท่านทํำยังไงคะอาตมาหนีจากกรุงสาวัตถี ท่องเที่ยวไปอย่างไรจุดหมายอาศัยความอดทนและได้ประสบการณ์ต่างๆในการเดินทางอันยืดยาวทุกข์ของอัตมาค่อยๆหายไปแม้จะยังไม่สนิทก็ทำให้ใจสบายขึ้นมากคุณธิดาเอ้ยทุกเธอเป็นทุกใหญ่จึงอาจดับช้าแต่จะต้องดับอย่างแน่นอนจึงไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่สะกดอกสะกดใจคอยเท่านั้น พอจนกว่าทุกของเธอจะถึงจุดดับต่อจากนั้นเธอก็จะสบายใจตามเดิมกว่าทุกของดิฉันจะดับดิฉันคงอ ก, อกแตกตายก่อนเท่านั้นอัตมาเกิดในโลกสามสิบปีเศษแล้วยังไม่เคยเห็นและเคยได้ยินเลยว่ามีใครตายเพราะอกมันแตกแต่ที่ตายเพราะเจ้าตัวเอาสตราวุธทําลายให้มันแตกนั้นเคยเห็นมามากอัตมาขอรับรองว่า อกของเธอจะไม่แตกและเธอจะไม่มีวันตายเพราะอกแตกนอกจากเธอทําลายให้มันแตกจริงของท่านที่เพิ่เสียใจเหลือเกินเห็นชีวิตเป็นของไร้ค่ารู้สึกตัวคล้ายกับตายไปแล้วครู่หนึ่งยังเหลืออยู่แต่ร่างกายและลมหายใจเท่านั้นกุลธิดาเอ๋ยเหตุที่เธอเสียใจก็เพราะเธอไม่เข้าใจอนิจจังจริงมองสิ่งต่างๆในแง่ดีด้านเดียว มอบความไว้วางใจความรักความสมหวังไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งจนหมดสิ้นเมื่อสิ่งนั้นหรือคนนั้นแสดงความอนิจจังออกมาตามการเวลาของมันเธอจึงผิดหวังเสียใจและเป็นทุกข์ระทมอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้สมมติว่าเธอมีเงินอยู่100ร้อยกะหาปณะนะและเอาไปฝากไว้กับเพื่อนชายยี่สิบห้ากหาปณะนะ ฝากไว้กับเพื่อนหญิงยี่สิบห้ากหาปณะนะฝากไว้กับพี่ยี่สิบห้ากหาปณะนะกับน้องยี่สิบห้ากหาปณะนะถ้าหาเพื่อนชายโกงเอาเงินของเธอไปเธอก็เสียเงินไปเพียงยี่สิบห้ากหาปณะนะอีกเจ็ดสิบห้ากหาปณ ะ, ะยังเหลืออยู่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนหญิงโกงไปยี่สิบห้ากหาปณะนะก็ยังเหลืออยู่อีกถึงห้าสิบกหาปณะนะ หรือถ้าพี่โกงไปอีกยี่สิบห้ากหาปณะนะก็ยังเหลือที่น้องยี่สิบห้ากหาปณะนะต่อเมื่อน้องโกงอาไปอีกนั่นแหละเธอจึงศูนรัพย์ไปอย่างหมดเนื้อหมดตัวแต่การที่คนทั้งสี่จะเกิดโกงเอาเงินไปพร้อมกันนั้นเกบจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฝากเงินแบบนี้เป็นวิธีฉลาดถ้าเธอเอาเงินทั้ง100ร้อยกหาปณะนะฝากไว้กับคนคนเดียวถ้าโกงอาไป เธอก็จะสูญเสียเงินไปทั้งร้อยกหาปัญ ะ, ะพร้อมกันเป็นการสูญเสียอันน่าเสียดายเป็นวิธีการอันไม่ฉลาดเลยหัวใจของเธอก็เช่นเดียวกันหัวใจคองดิฉันทำไมเนี่ยคะหากเธอยกหัวใจทั้งหมดให้ใครคนหนึ่งถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อเธอเธอก็จะเสียใจไปทั้งหมดสิ้นความสุขสิ้นความหวังอยู่อย่างคนที่ไม่มีหัวใจอย่างเช่นเวลานี้ ทางที่ถูกเธอควรจะแบ่งหัวใจออกเป็นส่วนๆดุดแบ่งเงินแบ่ยังไงเหรอคะท่านส่วนหนึ่งแบ่งให้คู่รักส่วนหนึ่งมอบให้กับบิดามารดาส่วนหนึ่งมอบให้พี่น้องส่วนหนึ่งมอบให้เพื่อนฝูงส่วนหนึ่งมอบให้กับเหล่าญาติส่วนหนึ่งก็มอบให้กับครูอาจารย์หมายความว่าให้รักเขาแต่น้อยไว้ก่อนถ้าคนรักเกิดทรยศต่อเรา เราจะได้เสียใจน้อยต่อเมื่อแน่ใจว่าเขาซื่อสัตย์ต่อเราจริงจึงรักเขาด้วยหัวใจทั้งหมดแหมท่านพูดจรงกับว่าหัวใจคนเป็นวัตถุที่จะแจกจ่ายได้ง่ายอย่างนั้นแหละความจริงมันทำไม่ได้นะท่านทำไมถึงทำไม่ได้ละ่ะคนเราเมื่อได้รักใครแล้วยากที่จะหักห้างจิตใจไม่ให้รักมากมได้ถ้าเรารักเขาแต่น้อย เขาก็ไม่พอใจเราหาว่าเราไม่รักเขาจริงแล้วความรักจะราบรื่นได้ยังไงดูก่อนคุณธิดาอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังยกมาเลยค่ะท่านยกมาเลยสิค่ะท่านที่ฉันอยากรู้เหตุผลเหมือนกันสมมติว่ามีโจรร้ายคนหนึ่ง เข้ามาอยู่ในบ้านของเธอด้วยมีเจตนาร้ายต่อเธอเธอก็ทราบดีว่าเขาเป็นโจรและมีเจตนาร้ายต่อเธอแต่เพราะอาศัยที่โจรคนนั้นพยายามทําดีทุกอย่างเพื่อให้เธอรักด้วยหวังว่าเมื่อเธอรักเขามากๆแล้วจะเป็นโอกาสทําร้ายเธอได้ง่ายยิ่งขึ้นต่อมาเธอก็เกิดความรู้สึกชอบเขาเพราะความดีของเขาแต่ในเวลาเดียวกันก็อดที่จะระแวงเขาไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ เธอย่อมจะรักเขาเพียงนิดหน่อยเท่านั้นไม่อาจจะรักเขาอย่างสุดหัวใจได้เพราะยังไม่ไว้วางใจใช่หรือไม่ใช่ทำไมจึงไม่รักเขาอย่างสุดหัวใจละ่ะเพืดิชเนทราบดีว่าเขามีเจตนาทำร้ายดิฉันการทำดีของเขาเป็นการเปลื้อนทำเพื่อหลอกให้ดิชัชนตายใจเปิดโอกาสให้เขาทำร้ายดิฉันได้ง่ายดิชเนอาจจะนึกชอบเขาบ้าง มีพ่อที่เขาทำดีต่อดิฉันแต่ไม่อาจจะรักเขาได้อย่างสุดหัวใจเขายังบาดระแวงเขาอยู่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าหัวใจเป็นของแบ่งได้เราอาจจะรักใครน้อยก็ได้มากก็ได้ถ้ามองคนที่เราจะรักทั้งในแง่ดีและแง่ร้ายเราจะรักเขาเพียงเล็กน้อยรักเขาเพราะว่าเห็นแง่ดีของเขาและระแวงเขาเพราะมองเขาในแง่ร้าย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 เมื่อใดเขาพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเขาซื่อสัตย์ต่อเราจริงเราก็พร้อมที่จะรักเขาอย่างเต็มหัวใจมอบใจทั้งหมดให้ถูกของท่านทีเดียวดีฉันเพลยไปไว้วางใจคู่รักมากเกินไปจึงมอบชีวิตจิตใจทั้งหมดให้เขาเมาื่อเขาหนีไปแต่างงานกับหญิงอื่นจึงต้องเสียใจมากการพลาดหวังของเธอครั้งนี้จะเป็นบทเรียนอันมีค่า สอนใเธอมองโลกครบทั้งสองด้านหมายความว่ายังไงคะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีสองด้านเสมอมีมืดก็ต้องมีสว่างมีเย็นก็ต้องมีร้อนมีสูงต้องมีต่ำมีดีต้องมีชั่วมีสุขก็ต้องมีทุกขมีชนะก็ต้องมีแพ้เมื่อมีสมหวังก็ต้องมีผิดหวังเราต้องมองให้เห็นทั้งสองด้านถ้ามองดีด้านเดียว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 ผู้มองโลกทั้งสงด้านเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอทุกเมือ่อย่อมยิ้มเสมอทั้งคราวแพ้และชนะทั้งความผิดหวังและความสมหวังทั้งความสุขและทุกข์มีใจเข้มแข็งและมั่นคงย่อมได้เปรียบทุกเมื่อและทุกสถานที่กุลธิดาเอ๋ยเพราะเธอมองโลกในด้านดีด้านเดียวจึงต้องประสบมหันตุกในคราวต่อไป เธอควรมองโลกในด้านด้านเสมอครั้งนี้เธอได้ล้มไปแล้วพลาดไปแล้วจงรีบลุกขึ้นเดินต่อไปอย่าเห็นว่าตัวลม้มลงแล้วจะนอนเฉยไม่ลุกขึ้นมานั้นหาเป็นการกระทำอันฉลาดไหมท่านผู้เรืองปัญญาคาแนะน า, นาของท่านจับใจดิชันเหลือเกินเท่ากับเป็นโอสถวิเศษทุบชีวิตดิชันให้กลับคืนมาทีเดียวถ้าไม่มีท่าน ดิฉันคงตายเป็นผเฝ้าภูเขาไปแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปดิฉันจะไม่คิดทำอย่างวุ่วโงว่เช่นนี้อีกและจะจ ด, จดจำคำแนะนำของท่านไว้แล้วนำไปสั่งสอนผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตายต่อไปดิฉันขอกราบลาท่านค่ะขอให้โชคดี ตาจะเป็นที่ถูกใจสักเพียงใดก็ไม่อาจจะอยู่ประจําได้เพราะงานเกี่ยวกับบริหารหมู่คณะทําให้ต้องกลับคืนสู่พระเวรุวันการได้อยู่ท่ามกลางหมู่คณะที่รวมกันด้วยธรรมะรักใคร่กลมเกลียวกันทุกคนแสดงแต่ความดีต่อกันนับว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งการได้อยู่ท่ามกลางหมู่คณะแม้ว่าบางครั้งจะเดือดร้อนรําคาญบ้าง แต่ในส่วนลึกของหัวใจรู้สึกอบกุ่นการอยู่คนเดียวตามป่าตามเขาแม้จะสงบเงียบดีบางทีก็เกิดหน่อยเหงาเศร้าใจทำม่เห็นความสำคัญของหมู่คณะขึ้นมาทันทีหมู่คณะย่อมมีที่พนเหนือจิตใจเป็นอย่างมากได้ประโยชน์หลายอย่างจากการอยู่ร่วมหมู่คณะเกิดเหตุจำเป็นขึ้นมาหมู่คณะย่อมช่วยเหลือได้ราประโยชน์ จะมีค่าอํานวยคุณประโยชน์ได้เต็มที่ก็เพราะหมูคณะรับรองถ้ามูคณะไม่รับรองสรัพ์ประยศนั้นก็ไรค่าพระราชาซึ่งถือว่ามีเกียรติสูงสุดถ้าเข้าไปอยู่ในป่าคนเดียวท่ามกลางฝูงลิงเกียรติยศนั้นก็ไม่มีค่าแต่อย่างใด เรวัตหมู่คณะมีประโยชน์มากเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากกว่าเกียรติที่ได้รับการอยู่ในหมู่คณะท่านได้เกิดความสุขอบอุ่นใจแต่ว่าข้อนี้เราไม่ค่อยรู้สึกเพราะความเคยชินแต่เมื่อถูกพรากไปจากหมู่คณะแล้วนั่นแหละจึงจะรู้สึกการในระเทศผู้กระทําผิดจากหมู่คณะจึงถือว่าเป็นการลงโทษหนะักทาให้ผู้ถูกลงโทษได้รับทุกข์มาก ข้าพเจ้าเคยทราบมาบางคนถ้ากับยอมเสี่ยงภัยหลบหนีกลับคืนมาอยู่ท่ามกลางหมู่คณะอีกนั่นเป็นความจริงถึงตัวเองจะตายก็ยอมขอให้ตายท่ามกลางหมู่คณะดีกว่าตายคนเดียวเมื่อเราได้รับประโยชน์ถึงสามประการจากการอยู่ร่วมคณะหมู่คณะจึงได้ชื่อว่ามีบุญคุณอย่างสูงผู้ใดรักหมู่คณะเห็นแก่หมู่คณะมีจิตใจกว้างขวาง ทำประโยชน์แก่หมู่คณะผู้นั้นชื่อว่ารู้จักบุญคุณของหมู่คณะผู้ใดอยู่ในหมู่คณะได้รับผลประโยชน์จากหมู่คณะแต่ยังเห็นแก่ตัวมีจิตใจคับแคบกาะโกยเอาผลประโยชน์แกหมู่คณะอยู่เสมอผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เนรคุณต่อหมู่คณะเป็นผู้ถูกความเจริญของหมู่คณะเป็นกาฝากที่คอยเกาะสู่ดื่มเลือดของหมู่คณะเรื่องนี้ดูเหมือนว่า ท่านเรวตะจะพร่ำสอนพระภิกษุและสามเณรตลอดมาถูกแล้วสุภูตะเาพเจ้าพร่ำสอนให้ทุกคนเห็นความสำคัญของหมูคณะและทุกคนก็อยู่ในโอวาทเป็นอย่างดีแต่มีภิกษุรูปหนึ่งนิสัยเยอ่อหยิ่งถือตัวไม่ยอมรับฟังคำสอนของใครท่านหมายถึงภิกษุที่ชื่อว่าราหะใช่ไหมถูกแล้ววาราหะผู้นี้มาจากะกูลเศรษฐีอยู่ในกรุงราชคฤห์ ถือตัวเองก็ร่ำรวยจึงไม่เชื่อฟังใครเอาแต่จใจตัวเองพฤติการของราหะผู้นี้ข้าพเจ้าเคยแจ้งให้ท่านทราบแล้วข้าพเจ้าจะแก้นิสัยคนผู้นี้เองท่านช่วยไปบอกว่าราหะให้มาพบข้าพเจ้าหน่อยข้าพเจ้าจะไปบอกเดี๋วนี้ละ ขุจเลนข้าพเจ้าวระหามาะมโค้ตแล้วไ ม, วม่ทราบว่าท่านมีธุระสิ่งใดข้าพเจ้ามีเรื่องบางอย่างที่จะพูดกับท่านเชิญท่านขุจเลนข้าพเจ้ามีความเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าบุคคลบางคนที่มีกำเนิดตระกูลสูงมีการศึกษาสูงย่อมมีการประพฤติปฏิบัติถูกต้องมีการพูดถูกต้องมีการคิดถูกต้องไม่มีข้อบอกพร่องผิดพลาดเลยแม้แต่น้อย เป็นผู้ทำถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการทุกสถานที่ทุกการลเวลาข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้ท่านล่ะเห็นเป็นยังไงท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเพิ่งมาใหม่สู่ธรรมวินัยนี้ยังไม่มีความรู้แตกฉานในข้ออัตถะข้อทรรมของท่านแต่เท่าที่ข้าพเจ้าพบผ่านมาก็าดีได้ยินในฟังมาก็าดีรัพ้ว่าสามัญชนทุกคน ย่อมมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ไม่มากก็น้อยไม่มีใครเลยที่จะทำพูดหรือว่าคิดอะไรได้ถูกต้องสมบูรณ์ไปทุกอย่างและทุกเมื่อหมายความว่าสามัญชนทุกคนย่อมมีข้อบกพร่องผิดพลาดประจำตัวอยู่เสมอไม่มากก็น้อยอย่างนั้นใช่หรือไม่ถูกแล้วท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นท่านก็ดีข้าพระเจ้าก็ดี ในฐานะที่เป็นสามัญชนย่อมมีข้อบอกพร่องประจำตัวอยู่เสมอเหมือนกันน่ะสิถูกลนะแล้วาจารยผู้จเจริญข้าพเจ้าเองก็อาจจะมีข้อบอกพร่องผิดพลาดเช่นเดียวกับผู้อื่นเหมือนกันท่านก็รู้ตัวเองดีแล้วทาไมใครๆเขาว่ากล่าวตักเตือนท่านชี้ข้อบอกพร่องผิดพลาดของท่านด้วยความหวังดีเพื่อท่านจะได้แก้ไขปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นท่านจึงโกรธเข